การที่มาเรียนที่เซบูด็อกเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ว่าสาขา o อ g a n i อ a t i o n Development and Transformation ในระดับปัญญาเอกสาขานี้เนี่ยเป็นเรียนแบบ Action Research นะซึ่งผมสนใจเพราะว่าเป็นสาขาที่เรียนแล้วสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับในองค์กรนะครับโดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โดยพัฒนาตัวเองก่อน นะฮะทานฟอร์มตัวเองก่อนในขณะเดียวกันสามารถที่จะไปพัฒนาองคอ์กรให้เกิดความเจริญยั่งยืนนะครับโดยที่ใช้องค์ความรู้ทางแอคชั่นรีเสิร์ชไปสร้างทฤษฎีใหม่นะรวมทั้งนำองค์ความรู้ที่มีอยู่นะฮะที่มีผู้คิดจำนวนมากนะฮะในโลกนี้เนี่ยเอามาประยุกต์ในการไปทานฟอร์มองคอ์กรต่างๆขอบคุณครับ